อยกากธรรมะที่จะพูดสื่อฟังก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไร <c oughs> เป็นบางการบ า, บางวันบางวันต่อรู้สึกว่าการพูดสะดวกง่ายแต่บางวันก็อไอ้อะไรจะพูดธรร ม, มปะป่ามไม่เหมือนธรรมะตำราเวลาลมันเกิดขึ้นก็พูดกันไปเวลามัน ไม่เกิดอะไรก็อยิ่งอยู่ <c oughs> โดยมาธรรมะทางด้านปฏิบัติมันก็ไม่นนีไปจากกายจากจิตมีกายมีจิตเป็นที่ตั้งของธรรมะปุถิเจนาเรื่องกายเรื่องจิตในชื่อปุถิเจนาธรรมะ ที่จรนาไปเรื่องอื่นนอกจากนี้ถ้ามีปัญญาน้อมเข้ามาเป็นโอปัญิโกคือมาสอนใจของตัวรูปถ่วไปในโลก <c oughs> ที่เรามองเห็นถ้าหากเรามีปัญญากวาสามารถที่จะนำมาแนะนใจของตัวได้ถ่วไปทางธรรมะ ในน้อมเข้ามาพิจารณาภายในแต่การเห็นโดยตาในรูปต่างๆถ้าหากไม่มีปัญญาส่งไปตามราคาตันหามันก็เกิดเป็นเรื่องของตันหาของกิเลส ข, ขึ้นเพราะตาได้เห็นหูได้ฟังแต่น้อมเข้ามาพิจารณาสอนใจเสือเป็นธรรมะสิ่งนั้ น, น, น กลายเป็นธรรมะไปแล้วแต่ความฉลาดของใจผูะพันปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันบ่งบอกอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมา <c oughs> เป็นของไม่เที่ยงและทนอยู่ใดยากและเป็นอนัตตาไม่มีรูปอะไรที่จะ เปี่ยงตรงคงที่แต่จะช้าหรือเร็วนั้นเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันแต่ช้ากว่ากันเร็วกว่ากันและผลที่สุดรูปต่างๆก็จะต้องสลายลงไปตามถาดเดิมของมันหมายถึงท่านผู้ที่เจรนาธรรมะเพื่อจะแก้ไขจิตใจจิติดปรุงดึงเกี่ยวยึดถือในสิ่งหนนนั้น ถ้าหากไม่มีธรรมะก็เห็นเข้ารูปที่เราชอบใจก็เกิดความอยากได้กำหนักยินดีเพิดเทินไปถ้ารูปที่เราไม่ต้องการไม่อยากได้ก็เกลียดชังในรูปนั้นนั้นใจกว่าเลยในปกติให้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งนั้นนั้นถ้าหากใจผู้ที่มีธรรมะจริงจังรูปก็สักแต่ว่ารูปเท่านั้น ที่สมมติมันหมายกันโลกเขาสมมติอย่างไรก็สมมติไปตามโลกของเขาไม่ขัดกับโลกแต่จิตใจที่จะไปหลุมหลงยึดถือหาเข้าถึงธรรมะจริงจังมันจะไม่เกิดขึ้นเห็นแต่สัจเจว่ารูปเท่านั้นใจที่ไปรู้ไปเห็นก็สัจเจว่าใจไม่ยุ่งเกี่ยว ขวบพันกันมีหมายถึงปลูกฝึกปฏิบัติเข้าใจในธรรมะจริงจังเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราท่านที่ยังมีความลุมหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างๆก็ต้องอาศัยการกำหนดพินิจิจรณนาตามสภาวะของธรรมเพื่อแก้ไขขับไล่ความของติดคิดรุงยึดเกี่ยวต่างๆ ให้ตกออกไปจากใจของตัวพอใจในทางแก่ได้ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามันจะเหือบอดติดข้องตลอดไปถ้าหากเราตั้งใจจะแก้ไขมีทางที่จะแก้ไขขับไล่ความสงสัยติดข้องต่างๆให้หมดไปศกไปแต่สำคัญพวกเราท่านไม่ค่อยจะแก้ไขใจของตัวเองไปแก้ไขสิ่งภายนอก สิ่งใดที่ตัวชอบใจก็อยากให้สิ่งนั้นคงอยู่ไม่อยากจะให้สิ่งนั้นแตกพวนแตกสลายสิ่งใดที่ตัวไม่ชอบใจก็อยากขับไล่หลีกหนีจากสิ่งเหล่นั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันในได้ตามความต้องการของใจใจก็เกิดทุกข์เดือดร้อนมันเป็นทุกข์เพราะอารมณ์ที่เรา ยึดเอาไว้ถือเอาไว้ในใจมันเป็นทุกข์เพราะเหตุอื่นตามจริงสิ่งเหล่านั้นมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรายังไม่เกิดสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดมาก่อนมีมาก่อนในว่ารูปว่าเสียงมันมีประจําโลกคนที่ลุมหลงในรูปในเสียงจึงไม่มีใครสี่สมหวังให้ในใจความทุกข์ทางใจ ผู้ปฏิบัติทางศาสตร์ศาสนาจึงควรชรระซักพ่อจิตใจของตัวให้รู้จักสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันแต่การซักพ่อจิตใจนั้นจะต้องอาศัยความตั้งมั่นของใจคือสมาธิสมาธิจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติ จะต้องมีในจิตในใจของตัวเพราะสมาธิก็เป็นมรคข้อหนึ่งในมรคแปดฝึกประมวมจิตใจให้ตั้งมั่นให้สงบเพื่อจะที่นี้พิจารณาสภาวะต่างๆให้เห็นตามเป็นจริงถ้าจิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมันมงม่นจิตไม่มี กำลังของสมาธิถึงจะมีปัญญ า, เ ส, าเสียโยละลาดเกีอยแหลมขนไหนที่เจนาไปกับลายเป็นปัญญาไม่สามารถที่จะขับไล่ที่เหลือปันหาออกไปจากจิตใจของตัวได้ความรู้มีอยู่ทั่วไปแต่ความรู้นั้นไม่สามารถที่จะแก้จิตใจของตัวรูปแบบนั้น จึงในเกิดสาระประโยค์ที่จะนำความสงบสุขมาให้แก่ตัวแต่ก็รู้เหมือนกันรู้ตามเรื่องของโลกต่างๆแต่มันแก้ไขในได้เพราะอ่อนทางสมาธิที่จะนาไปก็เลยกลายเป็นสัญญาในเป็นปัญญาที่จะขับไล่ความสงสัยกองใจตกไปแะนั้นสมาธิจึง เ, เป็นเรื่องสำคัญ ที่พวกเราท่านควรฝึกควรปฏิบัติการฝึกสมาธิก็มีหลายทิธทีด้วยกันแล้วแต่นิสัยของใครชอบแบบไหนเมื่อฝึกไปเห็นผลนั่นเลชื่อว่าถูกตามจริตนิสัยของตอนเราจะกาหนดลมหายใจเข้าออก ก่อจะให้จิตของเราหยุดปรุงชิดในอารมณ์ต่างๆก็เป็นทางที่จะทำจิตของตัวให้สงบเป็นสมาธิได้เราจะกำหนดบทบริกรรมเป็นต้นว่าพุทโทรธธรรมโมสังโฆก็ได้หรือจะกำหนดเจสามาอันหนึ่งอันใดก็ได้กำหนดตายตายก็ได้แล้วแต่จะหลีนิสัยใครชอบ ข้อไหนที่จะมาฝึกอบรมใจของตัวข้อสำคัญก็คือจิตใจนั้นเมื่อได้รับฝึกอรบรมกำหนดสิ่งหนึ่งริงใดอยู่นั้นให้ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาอย่าไปตะคุกเียวข้องมันจะเกิดอะไร ปล่อยให้มันผ่านไปหรือตกไปอย่าไปยุ่งเกี่ยวให้ถือว่าอารมณ์ส่วนนั้นเราเคยคิดเคยปรุงเคยยุ่งเคยเกี่ยวกับมันแต่ในเกิดสาระประโยชน์ไม่เกิดอัศจรรย์อะไรเราจะกำหนดสิ่งนี้อยู่เรื่อยไปจนจิตใจจะสงบรวมในอย่างนั้นเราจะไม่ปล่อยการกำหนดของเรา นี่คือการฝึกจิตเพื่อความสงบเมื่อเราฝึกอยู่อย่างนั้นตั้งใจอย่างนั้นบางท่านบางคนก็สงบงา่ายพอสงบเข้าไปจิตใจก่อข่อยเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปละเอียดเข้าไปรวมลงถึงที่ของมันแต่บางท่านบางคนก็ยากกว่าจะสงบได้ลำบากลําคา บางทีก็ไม่สงบแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็จะต้องอาศัยทาให้มันเป็นมันเห็นในจิตในใจของตนไม่ใช่ว่าทายากแล้วปล่อยทิ้งไว้มันจะเกิดจะเป็นในจิตในใจเองถ้าปล่อยทิ้งไว้มันเป็นไปตามความต้องการของเราท่านก็ไม่สอนให้มีวิริยะขันติ หมีความผากความเพียนไหนนี้ไหนมีความอดความทนนี่ความอดความทนความผาดความเพียนก็ในหนวดเวลามันยากมันลําบากจึงมีการอดการท น, ทนการผาการเพียนแต่มันสะดวกสบายความผากความเพียนก็ไม่ควรจะมีเอาไว้เพราะมันสะดวกกายสบายใจทําไปอย่างง่ายได้ น ม, มีอะไรมาสนับสนุนให้มันก็เปลี่ยนไปนี่มัมนในเป็นอย่างนั้นมันยุ่งมันยากมันลำบากอยู่เพราะจิตใจของพวกเราท่านเคยคิดอ่านสุ่มจุมติดข้องในสัญญาอารมณ์ต่างๆมาตลอดเวลาความสงบของใจบางท่นันบางคนจนกระทั่งวันตายเลยในประสบพบเห็นให้ว่ามันสงบอย่างไรมันฝุกอย่างไร เรื่องของใจผี่พลาดสจากสัญญาอารมณ์เราจึงไปตะคุบเรื่องใหม่เลื่อยไปว่าไปเที่ยวที่นั่นไปเห็นอันนี้มันสนุกสนานมันสุขมันสบายเลยมาดิที่ิจนาภายในแต่ความสุขจริงจังมันอยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าหากเราฝึกอบรมพยายามภาวนา <c oughs> ตั้งหน้า สนดจริงจังจิตรวมเท่านั้นเนี่ยจะเกิดอัศจรรย์ไม่มีความสุขใดในโลกที่จะประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าความสงบของจิตความสงบของจิตคนที่ไม่เคยเห็นเคยเป็นก็ไม่ทราบว่ามันเย็นมันสบายอย่างไรแต่ผู้ที่เคยเห็นเคยเป็นพอพูดขึ้นก็เข้าใจ แต่ความสงบวอมป้องใจนั้นเป็นความสุขที่ประเสริฐที่วิเศษทูกที่เห็นที่เป็นจนถึงความเย็นความสงบอย่างนั้นท่านจึงไม่มีอะไรที่ต้องการอีกในโลกเพราะความสุขมันเพียงพอบริบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นมาสุขไม่ต้องไปดูที่อื่นไปฟังที่อื่น เห็นอยู่ในจิตในใจจิ่จะทำมลเพนข้องตนมันปล่อยวางละถอนไปหมดทุกอย่างสัญญาเวทนาซึ่งเราเคยมีมาตลอดการความจำได้หมายรู้ต่งตางๆความสุขทุกเฉยๆซึ่งเคยมีมาตลอดเวลาแต่พอจิตรวมลงไปมันขาด จากสัญญาเวทนาส่วนนี้ไปอยู่เอกเทศเฉพาะเรื่องของมันกายที่มีอยู่มันก็ไม่เกี่ยวข้องกันอารมณ์สัญญาต่างๆนาน า, นาดับไปหมดในขาดการเวลาว่าระยะที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันกี่นาทีกี่ชั่วโมงถ้าหากมันในถอนกลิ่นมาเรื่องการเวลา มันไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีอะไรที่จะไปรบวัน hmm. จิตใจให้ยึดจุลยุ่งเกี่ยวกับอะไรนี huh. uh ่คือความสงบแต่สติรู้อยู่ปล่อยวางทุกอย่างมีแต่สติความรู้ใจําตัวอยู่อย่างนั้นเบาแสนเบาไม่ได้ยึดเกี่ยวกับอะไร ทั้งทั้งสิกายมีอยู่แต่ไม่ได้ยึดในเกี่ยวไม่ได้ปรากฏในความรู้สึกอันนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราจะนั่งระายะย า, ยาวนานขนาดไหนเนื่อโดยใจไม่ได้ถอนขึ้นมาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์มันจึงจะมีการเหน็ดเหืยเหนือหน่อ ย, ห, อยหิว มันอยู่สงบของมันปราศจากสัญญาอารมณ์ต่างๆนี่คือความสงบของใจซึ่งเราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนพอไปเห็นไปเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดอัศจรรย์อเอ ค, ความสุขส่วนนี้คนที่มั่งมีเ ข, ข่าของเงินทองเขาจะประสบพบเห็นไหมถ้าหากเราพิจารณาไปทางนอกก็เชื่อมั่นว่าคนเหล่านั้น จะได้ประสบพบเห็นถึงจะมีสมบัติมากเโภไรจะไปจ้างดูที่ไหนก็ไม่มีใครที่จะให้ดูได้พราอมันเป็นมันเห็นเฉพาะเรื่องของตัวผููกระทําบําเพ็ญเท่านั้นเมื่อมันเห็นมันเย็นมันสงบใครเล่าเกิดมาในโลกที่ในต้องการความสุขความสบายความสงบอย่างนั้นที่พวกเราท่านสแสวงหาสิ่งต่างๆนานาในโลกก็เพราะมันเห็น ความสงบส่วนนั้นเข้าใจว่าได้สิ่งนั้นมีสิ่งนี้จะมีความสุขความสบายไม่ได้วกเข้ามาดูภายในไม่ได้ฝึกอบรมใจข้องตัวถ้าหากฝึกอบรมใจท้องตัวรู้เห็นเต็ขึ้นแล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นความสุขเห็นอยู่ในตัวข้องตัวนี่คือความสงบ คือสมาธิเมื่อจิตมีความสงบตั้งมั่นอย่างนั้นถอดถอนออกมาแทนที่จิตใจจะสายแส่ได้ตามสัญญาอารมณ์กิเลสตัญหาต่างๆซึ่งเราเคยคิดปรุงยุ่งเกี่ยวมันก็ถอดไปถอนไปเพราะสิ่งที่เราเคยคิดเคยปรุงเคยยุ่งเคยเกี่ยวนั้นความสุกไม่อาจใส่ใจเหมือนความสงบของเรา มันจึงหักห้ามเอาไว้แล้วตั้งใจอยากจะประพฤติปฏิบัติให้มันเห็นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตไปยุ่งเกี่ยวพัวพันกับอะไรก็อาศัยปัญญานำมาที่นิจาานาด้วยอำนาจสมาธิที่มีอยู่แล้วหนุนหลังก็สามารถที่จะฝาดฟันความจิตข้องข้องใจ น, น, นั้นให้ขาดไปตกไป พะรู้พะเข้าใจสิ่งนั้นนั้นตามเป็นจริงของมันเราหลงต่างหาไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมาอยู่อายุเราถ้าเราไม่หลงไม่เกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรก็ทราบตามเป็นจริงของมันต่างอันก็ต่างจิิงความรู้ของเราก็จริงสิ่งเหล่านั้นมันก็จริงตามหน้าที่ของมันนี่คือปัญญาที่ขับไล่กิเลสตัณหาในจิตในใจ ถูกพี่แจนาขับไล่ออกไปเท่าไรก็เหมือนกันกันกบโรคในกายของเรามันหายไปเท่าไรความเบาความสบายของกายก็จะมีเท่านั้นโรคมากเท่าไรกายมันก็เป็นทุกข์มากเท่านั้นใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันยิ่งมีสัญญาอารมณ์มากมีกิเลสปัญหามากมีนานามานะทิฏฐิมากคนนั้นก็ทุกข์กว่าลําบาก หิิงเสียสละขับไล่ออกไปได้เท่าไรความสุขภายในใจก็ไม่ต้องไปเรียกร้องจากที่อื่นเราเห็นเด่นชัดในจิตในใจของเรานี่คือการปฏิบัติอัตทรรที่พระพุทธเจ้าสอนทาไมเห็นไม่เป็นในตัวแล้วถึงจะรู้จะฉลาดอ่านตำรับตำลามาม า, มาขนาดไหนความสงสัย ในมัจในผลในอจัจในธรรมก็จะสงสัยอยู่ตลอดไปทั้งๆคือตำราว่าอย่างนั้นแต่จิตของเรามันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอันเดียวกันกับําหรับตำราที่แต่งกล่าวเอาไว้ท่านว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของสกระบกแต่เราก็ถือว่าเป็นของสะอาดเป็นของสวยงามนีม่คือเรื่องที่เรียัหา เรื่องสัญญาอารมณ์ทึ่เคยหมักหมมในจิตในใจมาก่อนมันเป็นอย่างนั้นด้วยการทุกรูปทุกนามทุกปู่ทุกคนเพราะนั้นการมาฝึกปฏิบัติจิตใจจริงจำเป็นที่จะบำเพ็ญสมาธิคือผมลงรวมของใจก่อนเหมือใจไดยรับการอบรมจิงจังตั้งมั่น ในการกำหนดจนจิตรวมลงได้ปัญญาไม่ต้องไปศึกษามาจากที่ไหนมันจะเกิดขึ้นพอถึงขั้นของปัญญาจริงจังมันซุ่งมันตึงเอาจริงจริ ง, ร ง, รงยันจังอยากจะเห็นหน้าขิ้เหร่ตัณหาทิ่จะมาก่อควนจิตใจอารมณ์อะไรที่เราเคยติดข้องมาก่อนเคยกำหนับยินดี เคยเผิดเคยเพินเคยลุ่มเคยหลงคิดหาว่าปัญญาของเราจะแก้ไขไม่ได้มีไหมมันเป็นในเวลาที่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นอยากจะเห็นข่าศึกเพราะเราฝึกรบมาพอแล้วข้าคาศึกมันจะมาขานไหนที่จะสู้ก็ขบกัดกับมันไม่ได้มันอยากเห็นเราเลือยเกิน แต่เมื่อมันเกิดอยู่อย่างนั้นสัญญามันเกิดอยู่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์ทัญญามันก็เหมือนกันกับไฟเดวใหญ่อารมณ์ทัญญาาี่เราแกล้งหามาเพื่อจะให้มันพลิกไิ่ไปจนะกขว้าอะไรมาก็เหมือนเศษกระดาษถิ่งเผาไปใส่กองไฟแวบเอาแวบเอาหมดไปหมดไปขว้าหาอันใหม่ นี่มันเป็นในจิตในใจของผู่กว่าพืชปฏิบัติจะเห็นจะสะใจชัดเจนในตัวเองปัญญาอย่างนั้นมันเพินจะเดินก่อตามจะนัง่งก็าตามลืมการลืมเวลาเพราะมันเพลินในการละการบําเพ็ญของตัวผู้ปฏิบัติเมื่อเข้าถึงขั้นของปัญญาปัาดปัญจเรศปัญหามันเป็นอย่างนั้น แต่ถึงอย่างไรก็ดีมันเป็นอย่างนั้นก่อม่ควรตายใจนอนใจเพราะมันยังเป็นมักอยู่ปัญญาเกียยว่ามากักในใช่ดีมุดมันมีอะไรที่สัมผัสกับใจกว่าพิจารณาเลื่อยไปกำหนดเลื่อยไปให้ส่ใจตามเป็นจริงของมันเมื่อมันถึงขั้นที่จะหายสงสัยสิ่งที่เคย เห็นเคยเป็นมาทุกสิ่งทุกอย่างวาละเอียดหาที่เสมอเหมือนไหนได้สงบไม่มีอะไรจะเทียบเคยเป็นเคยเห็นมาแต่เมื่อเวลามันถึงขั้นที่จะหมดสงสัยมันไม่ใส่ละเอียดมันไม่ใส่ยากมันไม่ใส่สงบมันไม่ใส่สุ่มตา มันเป็นของที่เราไม่เคยพบเคยเห็นเคยเป็นมาก่อนผันจริงว่าวิมุติเคยจิตมันไม่ได้ก็ะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทั่วไปสัญญาอารมณ์สังขารวิญญาณซึ่งเคยเราที่จริญนามานั้นมันละเอียดขนาดไหนมันก็ยังไม่ขาดจากใจ มันยังเข้าใจอยู่ว่ามันละเอียดมันยังเข้าใจอยู่ว่ามันสงบเมื่อมันหลุดออกไปมันเป็นอย่างไรนั้นผู้ที่ท่านกระทํมบําเพนใจเห็นในจิตในใจของท่านเองจึงไม่มีการเวลาไม่มีเขามีออกไม่มีอยู่มีไปนั่นคืออะไรผู้กระทํมบําเพนท่านเห็นท่านเข้าใจแต่เราไม่เคยเห็นเคยเป็น ปกติทำบำทําเพ็ญเรื่อยไปผล ท, ที่สุดจุดที่ท่านรู้ท่านเห็นนั้นหากมันมีในตัวของเราแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยเมื่อมันเป็นอย่างนั้นจะละอะไรจะบําเพ็ญอะไรอีกเราก็เข้าใจในตัวของเราคํำว่ า, าจะตังกันหรือยังเสร็จจิตของ บาเพ็ญพระพุทธเจ้าสาวาไว้ <c oughs> มันไม่มีอะไรที่จะ่าสงสัยเพราะมันเห็นมันเป็นในจิตในใจของตัวนี่คือการจะททำบำเพ็ญทางศาสนาทุกคนจะต้องเห็นต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมีความสงสัยในตัวว่าอยู่ไปอีกหมื่นปีแสนปีจะมีอะไรดีพิเศษ ตายไปในวันนี้จะมีอะไรเสียหายทราบในจิตในใจของตัวอยู่ก็ไม่ยากตายก็ไม่ยากแล้วแต่การเวลาแล้วแต่เรื่องของมันจะเปลี่ยนไปใจไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกไม่ได้จิตข้องอะไรทันจริงสุก ยังสงบอยู่ตลอดเวลาแต่การเดินจงกรมภาวนาท่านก็ทํา อ, อยู่ทําเพื่ออะไรไม่ใช่ทําเพื่อละไม่ใช่ทําเพื่อบำเพ็ญเหมือนพวกเราท่านเราทําเพื่อความอยากได้เพื่อความอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ท่านไม่ได้ทําแบบนั้นเหมือนกันกับผู้ใหญ่ ทันอาหารในใช่ว่ายอยากจะให้มันเติบมันโตขึ้นไปอีกทราบดีว่าทานลงไปเท่าไรความเติบใหญ่ของเราก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ทําไมทานกันล่ะก็เพราะขาดขัาานยังมีความจําเป็นยังมีท่านอยู่กับเรื่องของโลกเรื่องของกายท่านก็ทําไปเพื่อเป็นวิหารธรรมของท่านไม่ใช่ทําเพื่อละอเพื่อบําเพ็ญเหมือนพวกเรา ในเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นในตัวของตัวจึงจะทราบในอย่างนั้นเข้าใจไม่ได้เพาะไม่ใส่สิ่งที่ควรทุมเดาขาดแค่นีถึงแต่นั้นเรื่องของศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญหากาพวกเราท่านประพฤติปฏิบัติเพียงแต่ความสงบสงัดของใจรวมรวมของใจเท่านั้นเราก็จะเชื่อมั่น ว่าศาสนาเป็นของดีมีคุณค่าจริงจังไม ใ, ใจของหลอกลวงโลกคนที่ไม่มีศาสนาไม่มีธรรมะในใจเท่านั้นที่วุ่นวายกันเดือดร้อนกันคนที่มีธรรมะในจิตในใจจริงจังแล้วท่านจะไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรเข้าใจเพราะเราเห็นเราเป็น เห็นในเป็นก็สงสัยว่ามันเป็นอย่างไรต่ออย่างไรแต่เราเห็นเราเป็นแล้วก็หายสงสัยโลกอันนี้เดือดร้อนวุ่นวายเมื่อเหตยจิตของเราไม่เข้าใจความเป็นจริงของมันแล้วเราไปเกี่ยวข้องผัวพันยึดถือมันจึงเดือดร้อน ถ้าหาเราเห็นสิ่งภายนอกตามเป็นจริงสิ่งภายในตามเป็นจริงต่างอันต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วมันจึงสงบอยู่ตลอดเวลามันเป็นไปกับเป็นไปตามธรรมดาของมันไม่มีอะไรที่จะมายู่ยยุยจิตใจในนี้อะไรจะมาเกี่ยวข้องกันนี่คือความเห็นความเป็น ในการฝึกการปฏิบัติถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติจะอยู่ไปกี่หมื่นกี่แสนปีมันก็ไม่เห็นไม่เป็นไม่เย็ น, ไ ม, นไม่สงบให้ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราท่านควรสนใจนํามาไถ่ ค, คิดพิดนิพพาศึกษาปฏิบัติตามโลกถ้าขาดธรรมะ